ทวอีกครั้งว่าสติปฐาน4ี่เฉพาะกายานุปัสสนาก็14บัพ่พะเนี่ยนะพิจารณากาย14หมวด14บนิยะด้วยกันพิจารณาเวทนาเวทนา9คือสุขทุกขุเบขาแล้วก็สุขเมียมิตรไม่เมียมิตรทุกเมียมิตรไม่เมียมิตรอุเบคาเมียมิตรไม่มีอมิตร ก, ก็เป็นเวทนา9แล้วก็พิจารณาจิต16ก็คือจิตมีราคะปราศจากราคะนะก็คือราคะโทสะโมหหดหู มหากตะไม่เป็นมหากตะจิตอื่นยิ่งกว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นหลุดพ้นไม่หลุดพ้นอ่ะนะก็คือเอาจิตทุกแง่มุมมาเจริญมาพิจารณามาใคร่ครวนพิจารณาทั้งหมดอ่ะที่เป็นโลกิยาจิตมาเจริญอนุปัสนาเจ็แล้วก็พิจารณาเห็นธรรมทั้งนิวรัตทั้งอขันธ์ทั้งอายตนะทั้งโพชงแล้วก็เอาอริยสัจมาใคร่ครวนให้มากๆเรียกว่ามีสติในกายเวทนาจิตและธรรมะ ผู้ที่มีสติอย่างนี้ก็ต้องจะไม่เสื่อมก็ต้องทำอย่างนี้คือเป็นผู้มีสติเพราะประกอบด้วยสติเป็นผู้มีสติต้องอยู่ด้วยสตินะคือประกอบด้วยสติก็ต้องไม่เสื่อมจากทำทั้งหลายด้วยสติแล้วก็อยู่ด้วยสติก็คือมีความชำนาญในสติมีความคล่องแคล่วในสติมีความไม่หววกลับไปจากสติก็คือเล่าวว่าเอาสติเป็นหลักนะทวนอีกครั้งนะสติต้องเป็นไปใน ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะมรรคผลปัญสติต้องเป็นไปตามแนวนั้นนะไม่ใช่สติของเราที่คุยกันวันนนั่งถ้านั่งแบบธรรมดาคุยกันทั่วไปมีสติก็ไม่ไกลนิพพานเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มันหมายถึงสติที่เป็นไปกับศีลนั้นถ้าไม่คิดถึงศีลเป็นไม่เป็นสติหรอกสติที่เรากําลังพูดถึงที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะถ้าไม่ปรารบสมถะวิปัสสนาก็ไม่ใช่สติแน่นอน ผู้ที่จะไม่เสื่อมจากสติก็ต้องประกอบด้วยสติอยู่ด้วยสติคล่องแคล่วด้วยสติแล้วก็ไม่หวนกลับไปจากสติส่วนสติที่จะมีคุณมากก็คือเป็นผู้ระลึกได้อันนี้เป็นสภาวะของสติเป็นผู้สงบคือสภาวะที่ดับนะนะเป็นผู้ระ ง, งับกิเลสได้เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของสัตบุรุษเนี่ยนะคือธรรมะที่จะทาให้มีสติสาคัญมากก็คือทาท่ทั่วไปหลักก็คือเว้นจากคนไม่มี สติครบผู้ที่มีสติแล้วก็สติประธาน4ี่เนี่ยนะต้องแม่นยำมากนะจึงจะสามารถเจริญสติได้แล้วก็มีสติเพ่อเจริญอนุสติทั้ง10ประการพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีราจาคาเทวตาเอ่อมรณาอานาปากายคตาและอุปสมานุสติผลสภาวะของสติคือระลึกระลึกถึงระลึกเฉพาะ ความระลึกคือสติความทรงจําความไม่เลื่อนเลื่อนลอยก็คือไม่เลอะเลือนไม่เลอะเทอะนะไม่ห ล, นะลงลืมสตินสีสติพระสัมมาสติสติสัมโพชฌงเอกายนามัคย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นเรียกว่าสติผันผู้ที่เข้าไปใกล้ใกล้ชิดเข้าถึงเข้าถึงพร้อมด้วยคุณธรรมคือสติอย่างที่กล่าวแล้วเรียกว่าผู้มีสติทีนี้ถามว่ามีสติอย่างงี้ต้องมีแค่ไหนก็ต้องมีนั่นแหละ ตลอดการทั้งปวงตลอดการเป็นนิจยั่งยืนนิรันดรเป็นอันเดียวกันติดต่อโดยลําดับไม่ขาดเนื่องไม่มีระหว่างสื่อตอมเรียกว่าไม่ขาดสายกระชั้นชิดไม่ว่าจะเป็นก่อนอาหารหลังอาหารปฐะกลางคืนเนี่ยแบ่งเป็นทุกสีชั่วโมงก็ไม่ขาดเลยข้างขึ้นข้างแรมไม่ว่าจะเป็นฤดูหรือวัยของชีวิตปฐมวัยมัชชิมวัยเป็นต้นน่ะต้องอบรมสติให้เป็นไปอย่างนี้อย่างต่อเนื่องถามว่าเอ๊ะมันจะทําได้ขนาดนั้นเลยหรือมีผู้ที่เข้าทําได้ สาวกของพระพุทธเจ้าท่านทําได้ถึงเรายังทําไม่ได้เราก็นับถือผู้ที่ทําได้ก่อนแล้วก็คําสอนเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติตามนี้เราเชื่อไหมว่าพ้นทุกข์ได้จริงก็เชื่ออันนั้นก็คือถึงไตรสรณคมก่อนก็ยังดีใช่ไหมเราก็ยังไม่ต้องเอาตนไปเทียมพระรันตนะไตรเลยตั้งแต่แรกหรอกเนี่ยนะก็รู้ว่าผู้ที่มีทําไดา้มีผู้ที่ทําได้มีอยู่นะที่เราต้องนับถือท่านแต่เราก็หวังใจว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจริญแบบ แบบเดียวกับท่านถ้าเจริญแบบเดียวกับท่านเราก็ข้ามห่วงทุกข์ได้อันผู้ที่มีสติอย่างนี้ก็จะเว้นขาดจากวัตถุกามและกิเลสกามาเว้นถ่าจากวัตถุกามก็ด้วยทําไงเว้นขาดจากวัตถุกามทุกชนิดด้วยการทําปริญญาเว้นจากาปริญญาคืออะไรยาตะปริญญากับตีรณะปริญญาเว้นขาดจากกิเลสกามทุกชนิดด้วย ปหาณะปริญญาเนี่ยนะสรุปก็ทำปริญญา3ามในวัตถุกรรมและกิเลสกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นการเว้นขาดจากกรรมนี่ก็เว้นขาดด้วยเหตุสองอย่างใช่เว้นขาดด้วยการขม่มหมายถึงข่มด้วยวิปัสสนากับข่มด้วยสมถะกับเว้นขาดด้วยตัดขาดหมายถึงอริยมรรคทีนี้ที่เว้นขาดด้วยวิปัสสนาเนี่ยนะคือยังไงก็คือการพิจารณาถึงโทษของกามทั้งหลายว่า กามทั้งหลายเหมือนกับโครงกระดูกคืออร่อยน้อยกามทั้งหลายเหมือนกับชิ้นเนื้อเพราะสาธารณะทั่วไปกามทั้งหลายเหมือนคอบยาเพราะตามเผากามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงเพราะเป็นของทำให้เราร้อนมากเหมือนความฝันเพราะว่ามันปรากฏช่วเวลาเล็กน้อยเป็นของขอยืมเพราะว่ามีกำหนดกาหนดใช่ใชไหมแต่เกินใช้แล้วมีหนี้สินบานเลยนะเพราะถ้ายืมของยืมก็ต้องมีกาหนดใช้อะ แล้วก็ถ้าเหมือนผลไม้ดกก็ทอกทาให้กิ่งหักทำให้ต้นล้มอะ่ะแล้วก็กามนี่เหมือนกัะดาบเหมือนกับมีดเพราะมันฟันมันทิ่มมันแทงเหมือนหอกเหมือนหลาเพราะมันทิ่มมันแทงเหมือนหัวงูเพราะหน้าสะเพงกลัวเหมือนกองไฟก็ทําให้เร่าร้อนใหญ่ไม่มีวัตถุกรามกิเลสกามใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเร่าร้อนรอกอันนี้แหละเรียกว่าพิจารณาอย่างนี้มากคือการเจริญอาทีนวานุปัสนาเป็นวิปัสนาชั้นสูงเลยเห็นภัยของกามเนี่ยนะ อันนั้นเป็นผู้ที่จะเห็นภัยอย่างนี้ได้จะต้องทําปริญญารอบรู้ในสิ่งนั้นจริงๆว่าไอ้วัตถูกรรมกิเลสกรรมเหมือนร่างกระดูกยังไงก็ต้องรู้อ่ะอธิบายได้มันเหมือนชิ้นเนื้อยังไงเหมือนคบเพลิงยังไงเหมือนหลุมฐานเพลิงยังไงเหมือนความฝันยังไงเหมือนของขอยืมยังไงเหมือนผลไม้มีผลดกเหมือนดาบเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนหัวงูเหมือนกองไฟยังไงเนี่ยนะจะต้องรอบรู้ถึงพิษภัยทุกโทษอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ท่องได้แต่เชื่อนะแต่มีความเข้าใจ ถึงพิษภัยของวัตถุกรรมโดยประการทั้งปวงแล้วก็เห็นโทษของกิเลสกรรมโดยประการทั้งปวงผันผู้ที่เจริญได้อย่างนี้แหละก็เรียกว่าเจริญอาทีนวานุปัสนาแต่ถ้ายังไม่ขนาดนั้นก็เจริญอนุสติสิบก็ได้นะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ สีลานุสติจารคานุสติเทวตานุสติอาณาปานาสติมรณ า, านุสติกายคตาสติอุปสมานุสติเนี่ยนะฮัลกการเจริญอนุสติสิบก็ข่มกิเลสกามใช่ไหมทําให้จิตไม่ไปหมกมุ่นครุ่นคิดในเรื่องกามพราะถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าก็จะเห็นภายในกามเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ข้ามพ้นกามพ้นจากห่วงของกามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนก็ทำรรรมาสงบระงรับจากกามพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติข้ามกามทั้งหลายทีนี้ รักษาศีลเนี่ยนะรักษาศีลก็เพื่อป้องกันกา ม, มาสุ ข, ขาริการุโยคอยู่แล้วผู้ที่ให้ทานก็ไม่หมกมุ่นในกามเนี่ยนะหรือเจริญเทวดานุสติเทวดาก็คือเนื่องจากมีศรัทธาเป็นต้น น, นะท่านไม่มั่วในกามจนเกินไปอจึงเป็นเหตุให้ท่านไปเกิดในสุขติหรือว่าถ้าเจริญสมาบัติทั้งแปดนะทั้งรูปปัจจัน4รี่รูปปัจจัน4ี่อันนี้ก็เป็นการข่มกามด้วยสมถะเนะ ข่มกามด้วยสมมถะก็คือด้วยอนุสติ10กับด้วยสมาบัติแปดนั่นเองถ้ากล่าวปฐมฌานนะกสินสิอสุภาษิก็เท่ากับแสดงแล้วเพราะว่าผู้ที่จะได้ฌานเนี่ยไม่ได้เจริญกสิน10เป็นต้นมันก็ไม่ได้ฌานอยู่แล้วละ่ะอันเท่ากับว่าสมถะ40กองเนี่ยก็แสดงหมดแล้วมันผู้ที่จะข่มกามก็ข่มด้วยสมถะทั้งหลายทีนี้การเว้นขาดจากกามถ้าจะขาดได้จริงๆก็ขาดด้วย ถ้าโสดาปฏิมักรก็ขาดที่ไหนขาดจากอบายทั้งหมดสกทาคามีมักคก็ฆ่ากามอย่างหยาบอนาคามีมักคฆ่ากามอย่างละเอียดถ้าอรหัตตมักก็ข้ามกามได้โดยประการทั้งปวงอันที่พระองค์ตรัสว่าพึงเว้นขาดจากกามทั้งหลายก็คือเว้นขาดด้วยด้วยวิปัสนาเว้นขาดด้วยสมถะเว้นขาดด้วยอริยมัคนั่นเองครั้นเวนขาดจากกามเหล่านั้นแล้วก็พึงข้ามโอคะ คำว่าเหล่านั้นได้แก่สัตว์ผู้เกิดมากําหนดรู้วัตถุกรรมทั้งหลายด้วยยาตะปริญญากับตีรณปริญญาเนี่ยนะว่าวัตถุกรรมเหล่านั้นนะ่ะมี أ, ประกอบไปด้วยอะไรมีอะไรเป็นเหตุเกิดไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นดังโรคซอนเนี่ยโดยประการอย่างไรก็ทำปริญญาไครครวนจนสามารถที่จะละละทั่วบรรเทาทําทให้สิ้นศูนย์ทำให้ถึงความไม่มีในภายหลังซึ่งกิเลสกรรมเนี่ยนะ คือละละทั่วบรรเทาทำให้สิ้นศูนย์ให้มีในภายหลังซึ่งกามชฉันท่านิวรพยาบาทนิวรทีนามิท่านิวรอุทจักกุกุจานิวรวิจิกิจฉานิวรมันจึงเรียกว่าก้าข้ามโอคะภวะโอคะทิฏฐิโอฆะอวิชาโยคะได้มันว่าผู้ที่เจริญสมถวรวิปัสนาเนี่ยนะจนอริยมรรคเกิดขึ้นอย่างนี้ก็สา ม, มารถที่จะละ คือทำปริญญาในวัตถุกรรมละกิเลสกรามละนิวรห้าละโอคะสี่นะก็สรุปเท่ากับกว่ากล่าวถึงการละบาปละอกุศลละกิเลสได้ทุกชนิดถ้าทำยาตะปริญญาในทุกขสัตธ์ทมตีรณปริญญาในทุกขสัตว์ปหานะปริญญาในสมุทัยสัตว์ก็จะสามารถทำนิโรสัตให้แจ่มแจ้งด้วยข้อปฏิบัติ ด, ดังที่กล่าวไปแล้ว ข้อปฏิบัติคืออะไรก็คือการทำปริญญานั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกันนะคำว่าเหมือนบุคคลวิตน้ำในเรือแล้วก็ไปถึงฝั่งฉะนั้นความว่าบุคคลวิตศาสตร์ออกทิ้งออกซึ่งน้ำในเรืออันทําให้เรือเนี่ยหนักบรรทุกหนักแล้วก็พึงไปถึงฝั่งด้วยเรือที่เบาโดยเร็วไม่ลำบากฉันใดสตร์ผู้เกิดมากาหนดรู้ว่าถูกกราม ละละทั่วบรรเทาทําให้สิ้นสูญให้ไม่มีในภายหลังซึ่งกิเลสกรรมคือละละทั่วบรรเทาทําให้ถึงความสิ้นสูญไม่มีในภายหลังซึ่งนิวรหาอันนะก็พวกนี้ก็จะไปถึงฝั่งโดยเร็วโดยไม่ลําบากวิธีที่จะละก็คือถ้าผู้ใดทําปริญญาในวัตถุกรรมละกิเลสกรรมละนิวรห้าถ้าปฏิบัติไปตามนี้แล้วอบรมโพชฌงเจ็ดไม่นานจากตรัสรู้ได้ เนี่ยนะพ่ออะไรเพ่อเรือเบาแล้วนะที่มันหนักกับพ่อนิวร น, นี่แหละมันทําให้หนัก น, นะหนักทางกายหนักทางจิตหนักทางวาจาเป็นต้นอ่ะคือบาปอาคุศณมันครอบงาํามันก็หนักอ่ะ น, นะเพราะฉะนั้นก็เลยปฏิบัติได้ไม่รวดเร็วอย่างที่ควรเพราะฉะนั้นก็การอบรมส ม, มะถะวิปัสสนาอย่างที่กล่าวไปเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่ อ, อข่มนิวรนเพื่อตัดทางแห่งนิวรนส่วนคําว่าฝังฝังเนี่ยนะ ปะฝังเนี่ยเป็นชื่อของอมะตะนิพานอมะตะนิพานนั้นเป็นธรรมะที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงสละคืนอุปธิทั้งปวงอุปธิก็ขันธูปธิกิเลสูปฏิอภิสังขารูปธิเนี่ยนะอุปธิคืออายตนาภายในอายตนาภายนอกภาษะวิญญาณเนี่ยพวกนี้เป็นอุปธิทั้งนั้นอะ่ะมันสละคืนอุปธิคือไม่มีสังขตะธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับ เครื่องอกิเลสเครื่องร้อยรัตเพื่อถึงเพื่อบรรลุเพื่อถูกต้องเพื่อทําให้แจ้งซึ่งฝั่งคือพระนะิพพานนะถ้าปฏิบัติตามนั้นได้ก็ถึงฝั่งคือนิพพานคืออสังขตะทำได้อย่างแ น, น่คําว่าฝั่งเนี่ยนะฝังถึงฝังเนี่ยถามว่าใครถึงฝั่งก็คือพระอาหารหันต์นั่นเองเพราะฉะนั้นบอกว่าคําว่าถึงฝั่งได้แก่ผู้ใดใครเพื่อจะถึงฝั่งผู้นั้นชื่อว่าผู้ถึงฝั่ง ผู้ที่ใคร่จะถึงฝั่งนี่คือใครคือผู้ที่ตั้งอยู่ในวิปัสนาญาณเนี่ยคือผู้ที่ต้องการจะถึงฝั่งเพราะอะไรเพราะวิปัสนาเนี่ยน ะ, ะเริ่มพิจารณานามรูปละความสงสัยในการสามพิจารณาโดยความเป็นกลุ่มคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาเหตุเกิดพิจารณาความดับพิจารณาโดยภัยพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เป็นโทษเพื่อจะสลัดออกอะ่ะแล้วก็เพื่อหาทางออกอะ่ะผู้ที่เจริญอย่างนี้เชื่อว่าผู้ที่ปรารถนาฝั่ง เนี่ยนะปรารธนาฝั่งคืออมะตะเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะออกจากวตฏะหรือว่าผู้ใดย่อมไปสู่ฝั่งด้วยอริยมรรคเนี่ยนะผู้นั้นก็ชื่อว่าถึงฝั่งผู้ใดถึงฝั่งแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าถึงฝั่งดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลข้ามพ้นแล้วถึงฝั่งแล้วยืนอยู่บนบกชื่อว่าเป็นพรามเนี่ยนะเป็นธาตุฐานเนี่ยก็ยืนอยู่ในโดยที่มีนิพานเป็นอารมณ์นั่นเองเนี่ยนะเข้าพระสมาบัตอย่างพราสุก ดูกรพิสูุทั้งหลายคำว่าพรามณนี่เป็นชื่อของพระรหันพระรหันเนี่ยเป็นผู้ถึงฝนะ yeah ั่ง First, ด้วยปริญญาเนี่ยนะฝั่งด้วยอภิญยาก่อนนะอภิญญาในที่นี้การรู้ยิ่งก็คือยาตะปริญญานั่นเองท่านถึงฝั่งด้วยยาตะปริญญาถึงฝั่งด้วยการทําตีรณปริญญากําหนดรู้นะปริญญาก็คือเน้นตีรณปริญญาถึงฝั่งด้วยปหานะปริญญาคือด้วยการละันผู้ที่ถึงฝั่งคือถึงฝั่งด้วยยาตะปริญญาตีรณปริญญาปหานะปริญญา ถึงฝั่งด้วยการเจริญมักถึงฝั่งด้วยการทําให้แจ้งซึ่งผลนิพานถึงฝั่งด้วยสมาบัติทั้ง8ถึงฝั่งแหง่งทำทั้งปวงด้วยการรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งซึ่งขันอายตนาธาตุสัจจะอินทรีย์เนี่ยนะหรือถึงฝั่งแห่งการถึงฝั่งแห่งทุกข์ด้วยการกําหนดรู้คือทําปริญญาในชาติทุกข์เป็นต้นถึงฝั่งแห่งกิเลสทั้งปวงด้วยการละก็คือละทุจริตสมีการยัทุจริตเป็นต้นเนี่ยนะ ถึงฝั่งแห่งอริยมรรคสีด้วยการเจริญก็คือเจริญโสโดาปติมรรคสกธาคามิรรคอนาคามิรรคและอรหัตตมรรคถึงฝั่งแห่งนิโรธคือพระนิพพานด้วยการทําให้แจ้งถึงฝั่งแห่งสมาบัติทั้งปวงด้วยการบรรลุเนี่ยนะบรรลุฌานสมาบัตพละสมาบัตและก็นิโรธสมาบัติเนี่ยนะ